คารวะพระคุณเจ้าขอเจริญพร อ, อาจารย์กำพลแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทุกท่านตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วนะอากาศก็ยังร้อนอยู่แล้วพวกเราก็ได้ฟังกันมา3มชั่วโมงติดต่อกันสองชั่วโมงครึ่งแล้วก็ซ้ำเนี่ยธรรมะก็จะมาบรรยายพวกเราฟังอีก4ีนาทนะีแล้วก็เป็นการบรรยายที่อาจจะค่อนข้างหนัก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 ถ้าติดตามสิ่งที่ธรรมมาพูดเนี่ยได้ไม่ค่อยต่อเนื่องนะก็อย่างน้อยได้ฝึกน ะ, ะดูความง่วงของตัวเองไปนะหัวข้อบรรยายนียนะ่เห็นไม่เป็นคาว่าเห็นเนี่ยมันเป็นกิริยาและเป็นสภาวะที่สำคัญมากในพุทธศาสนา เราจะเคยดินคําว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนะประโยคสั้นๆเนี่ยนะคำว่าเห็นธรรมเนี่ยมันมีความหมายมากทีเดียวนะนะเห็นธรรมก็คือจะเรียกได้ว่าบรรลุถึงอุดมคติของความเป็นพุทธเลยก็ว่าได้มันมีคํำคล้ายๆกันอีกเช่นดวงตายเห็นธรรมหรือว่าเห็นสัจธรรมอย่างแจ่มแจ้งนะดวงตายเห็นธรรมก็คือเป็นพระโสดาบัน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 ในเวลาเราพูดค ว, ว่าเห็นเนี่ยนะเบื้องต้นเลยเนี่ยคือเห็นความคิดเห็นอารมณ์เห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายใจและทั้งหมดเนี่ยมันจะนำไปสู่การเห็นธรรมนะและเห็นธรรมอย่างไรเดี๋ยวก็จ ะ, ะพูดต่อไปควมว่าเห็นเนี่ยหลวงพ่อเขียนเมื่อใช้กับความคิดอารมณ์และอาการที่เกิดกับกายและใจเนี่ยจะมาคู่กับคาว่ารู้สื่อ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 มนุษย์เราเนี่ยคนเรานี้มักจะให้ค่าทุกขีทก้ทุกแก่ว่ามันสกรปรกไม่ดีเห็นก็ทุกข์ใช่ไแต่เห็นดอกไม้เราให้ค่าว่าดีเราเห็นแล้วเราก็ยินดีเราก็มีความสุขการให้ค่าว่าดีร้ายบวกลบอันนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าไม่ใช่รู้สื่ อ, อและมันก็เป็นที่มาของความทุกข์เดิเหมือนกันนะ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 เป็นอารมณ์ที่เป็นเรียกว่าฝ่ายบวกอิกทธารมก็ไม่ใช่เคลิ้มพ้อยกับมันเช่นเกิดปิติขึ้นมาเนี่ยก็รู้ซื่อซื่อก็คือว่าดูไม่เฉยเห็นมันไม่ไปจมดิ่งกลืนหายไปกับอารมณ์ปิตินั้นนะถ้าเป็นลบนะโปรดห ง, งุดหงิดนะก็แค่เห็นมันรู้ซื่อซื่อก็คือว่าไม่ต้องพยายามทำอะไรกับมันนะ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 คนที่อยู่ในน้ำคือโจนไปในน้ำเนี่ยเห็นน้ำอยู่เนี่ยโจนเข้าไปเลยนะคนที่โจรเข้าไปในอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์บวกอารมณ์ลบลบเนี่ยนะนั่นก็คือเป็นนะแต่ถ้าเห็นคืออะไรเห็นก็คือว่าอยู่บนฝั่งนะท่านใช้ว่าคนที่ขึ้นฝั่งหรือว่าอยู่บนฝั่งเมื่อคุณอยู่บนฝั่งเนี่ยคุณก็เห็นกระแสน้ำไหลนะมันก็ไหลของมันไปมันจะเอามาเน่าลอยน้ำก็ช่างมันนะมันจะมีเรือสารันลอยผ่านไป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 ใครที่วิจารณ์ความคิดนี้ก็จะโกรธเพราะเหมือนกับว่ากลังวิจารณ์เราความคิดมันเป็นเราแล้วแล้วที่ผู้คนทุ่มเทียงกันทะเลาะบอกแว้งกันเนี่ยบ่อยครั้งเพราะความคิดแต่ความคิดไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือการที่เราไปยึดมั่นว่าความคิดของกูนะพอความคิดของกูเนี่ยและเธอไม่เห็นด้วยก็กลายเป็นปฏิปัติ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 ให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างเห็นกับเป็นเนี่ยว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะอธิบายให้เห็นชัดขึ้นเนี่ยเคยมีนักปฏิบัติคนนี้เป็นนักศึกษาเป็นค น, คนสาวเนี่ยนะมาปฏิบัติที่สุกโตก็ฟังคำบรรยายของหลวงพ่อไปสองสมวันแล้วก็ไปปฏิบัติวันหนึ่งก็มากราบถามหลวงพ่อคำเขียนว่าหลวงพ่อทำไงดี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 อาจารย์ประสงค์ก็คุยกับเด็กสนทนากันสักพักก็บอกว่าก็พอใจก็บอกว่าหนูหนูเป็นเด็กฉลาดหนูเป็นเด็กดีหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูเสร็จแล้วก็หยิบรูปประคามขึ้นมาจากย่ามเด็กพอเห็นเด็กก็ร้องอ uh ู huh ้ฮูนะอาจารย์ประสงค์ท่านกว็วายนะั้นท่านถามเลยหนูร้องอ uh ูหฮูเนี่ยหนูเห็นอะไรเด็กตอบว่ายังไงทราบไหมาเด็กบอกหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะ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 แต่ว่าในสุดเธอตัดใจได้นะเธอก็เลิกลาเขาไปแล้วก็ยังดีใจเลยว่าเออยังแปลกใจเลยว่าไม่ได้กลุ่มหรอกลุ้มใจอะไรมากกับการที่ต้องอย่าลางกับผู้ชายคนนี้ยังชมตัวเองเลยนะว่าเราปฏิบัติทําได้ดีนะแต่หลังนั้นไม่นานเนี่ยนะก็ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเจ็วันพอเข้าคอร์สเนี่ยแค่วันแรกเนี่ยเธอก็ร้อนรุ่มเลยนะเพอหวนึกถึงผู้ชายคนนั้นรู้สึก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 นะมันทุกพราะยึดไอ้ตัวนั้นเองจิตเห็นเลยนะเห็นสติเนี่ยมันเห็นจิตที่มันไปยึดเอาเรื่องที่ผ่านไปแล้วคือเรื่องผู้ชายคนนั้นเนี่ยคุ้นคิดแต่เรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเพราะเห็นเพราะเห็นความยึดติดนะที่ผูกพันกับเรื่องในอดีตเนี่ยพอเห็นนะรู้มันวางเลย แค่รู้เท่านั้นนะมันวางเลยพอวางเจ็เนี่ยพอวางเสริ จ, จิตมันโปร่งโล่งเบาสบายเลยเธอไม่ได้กดข่มความคิดเกี่ยวกับอดีตสามีเพียงแต่รู้ทันนะว่าใจไปเผลอแบกนะพอรู้ทันเนี่ยมันจะวางไปเองนะเพราะนนเนี่ยความไอการที่เห็นเนี่ยนะมันช่วยทำให้ใจปโปร่งเบาสบายได้ผู้ย่างคือทำให้ใจนสงบนะ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 ไม่ใช่เป็นก้อนเป็นดุนนะไอการเจริญสติเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้ถลุงนะไอไอตัวเราที่เคยยบเป็นดุนเป็นก้อนเนี่ยให้มันเห็นเป็นรูปเป็นนามนะและตรงนั้นเนี่ยก็จะรู้ว่ามันแยกกันนะและในเพราะเะนนั้นเนี่ยมันจะไม่เห็นเลยนะว่ามันมีตัวกูนะ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 เพราะว่าจิตเนี่ยไม่ได้ยึดมัน่นไม่ได้เก่อเกี่ยวว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะ น, นั้นเนี่ยสรุปกคือว่าเห็นเนี่ยนะมันจะเห็นได้สองอย่างนะเห็นด้วยสตินะเห็นด้วยสติที่เมื่อกี้ตมายกพุทธภาษิตว่าผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคอนแคลนขอควรพอ่อปุณอาการชนะไว้เนี่ย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 เห็นด้วยปัญญานี่ก็อย่างเช่นตามายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะตอนต้ น, นว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเหน่ยหน่าในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตกลงนั่นแหละเป็นทา ง, างพระนิพพานเป็นธรรมโสดจดก็คือเมื่อเห็นด้วยปัญญาเนี่ยนะมันก็จะเข้าไปสู่กระแสพระนิพพานนะหรือว่าการพ้นทุกข์ได้ดงนั้นให้เข้าใจนะเวลาเวลาครูบาอาจารย์พูดคาว่าเห็นเนี่ย บางทีท่านก็หมายว่าเห็นด้วยสติบางครั้งท่านก็หมายว่าเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสติเนี่ยนะก็คือเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์นะซึ่งเมื่อรู้ทันแล้วมันจะวางเมื่อวางก็เกิดอะไรขึ้นเกิดความสงบตอนนั้นเนี่ยจิตที่รุ่มร้อนทุกข์ก็จะคลี่คลายบรรเทาลงอันนี้เรียกว่าหมดทุกข์เป็นคราวๆไปหมดทุกข์เป็นคราวๆไปนะ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 พนทุกเล็กๆ น, น้อยๆนะกับพ้นทุกในสังสารวัฏนะพ้นทุกเล็ก ๆ, ๆ น, น้อยๆอาจจะหมาถึงการพ้นทุกเป็นคราวๆไปพวกเราเนี่ยนะก็ยังสามารถเชืพ้นทุกเป็นคราวๆไปได้เมื่อเรามันที่จะเห็นมันนะใหม่ๆอินทรีย์เรายังไม่แก่กันเราก็เห็นด้วยสตินะแต่เมื่อเราปฏิบัติไปเราก็จะเห็นด้วยปัญญาเพราะนั้นเนี่ยถ้าพูดงี้ก็จะเข้าใจนะเมื่อหลวงพ่อคําเขียนท่านใช้คําพูด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 แต่ยังพิการอยู่นะแต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วอันนี้เรากว่าเห็นทุกตัวแรกเนี่ยคำว่าเห็นทุกนะเห็นทุกเก็ะพ้นทุกเนี่ยทุกตัวตัวแรกเนี่ยอาจจะหมายถึงทุกขเวทนาก็ะพ้นทุกนะพ้นทุกแบบเนี่ยอาจจะเป็นทุกอาจจะเป็นการพ้นทุกเป็นคราวๆก็ได้นะเช่นเห็นความปวดความเมื่อยนะแล้วก็จิตก็ไม่ไปยึดมันนะกายทุกแต่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 เมื่อเห็นทุกในตายลักก็จะพ้นทุกทุกตัวที่สองเนี่ยหมายถึงทุกในอริยสัตถ์สี่ทุกในอริสัต4นะทุกในอริสัตถีเนี่ยเราเรียกว่าทุกขสัตริย์เช่นความโศกความร่ำไรลําพันธ์ความทุกข์ความโทมนัสนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นทุกในอริยสัตถ์ซึ่งเราสามารถจะพ้นจากมันได้เมื่อเราเห็นแจมแจ้งว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะ ทุกในที่นี้เนี่ยคือทุกในไตลักษ์คือคําว่าคําว่าทุกในพุทศาสนาเนี่ยบางทีคุณต้องแย่งนะว่าเวลาท่านพูดถึงทุกเนี่ยท่านพูดถึงทุกในความหมายไหนหมายถึงทุกเขเวทนาหมายถึงทุกในริษัทสี่หมายถึงทุกในไตลักษ์หลวงพ่อขงเขียนเนี่ยสุดท้ายปลายทางเนี่ยจะมานะท่านต้องการจะบอกว่าเมื่อเราเห็นเมื่อเราเห็นว่าสังขารทุกคนเป็นทุก์เนี่ยอย่างแจ่มแจ้งจิตก็จะพ้นทุกนะ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 ไม่ใช่ไปเพ่งมันภาษาบาลีเช่นใชว่าปริญญาก็คือรู้รอบนะทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้พูดง่ายนะแล้วคุณจะรู้ได้คุณต้องคุณต้องเห็นมันก่อนแต่คนส่วนใหญ่เวลาเจอทุกเนี่ยเป็นเจอทุกเนี่ยเป็นทุก์ไม่ได้เห็นทุกทุกเนี่ยมีประโยชน์นะถ้าเราเห็นมันแต่มันจะกลายเป็นโทษทันทีถ้าเราเป็นมันนะเป็นมันหรือเป็นทุกขหรือเป็นผู้ทุกนั้น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 และชาวผู้เราเนี่ยอย่าไปกลัวทุกข์นะเรารู้วิธีที่จะเห็นทุกข์และเราก็จะสามารถใช้ทุกข์เป็นประโยชน์ได้นะเห็นทุกข์ก็จะถึงธรรมนะเราเคยได้ยินมาที่ครูบารบอกว่าทุกข์ไม่ได้มีไว้เป็นทุกข์มีไว้เห็นนะเะั้นเวลาที่คุณปวดคุณเมื่อยเนี่ยนะก็อย่าไปตีโพยตีพายโอดโอยนะลองมองว่านี่คือโอกาสที่เราจะได้เห็นทุกข์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 ใน ห, หลวงพ่อท่านท่านบอกเลยนะท่านสอนไปเลยนะว่าให้ตระหนักว่าความปวดนี่มันเป็นเพียงแค่แค่อาการเอาไว้ดูไม่ใช่เอาไว้เป็นแล้วท่านก็ทําให้เราดูนะท่าไม่ใช่แค่พูดไม่ว่าจะเป็นการปวดอาการป่วยขั้งแรกนะที่ที่เป็นมะเร็งต่อมลําเลืองปี49หรือว่าปวดขั้นที่2นะซึ่งเป็นการปวดขั้งสุดท้ายของท่านปีที่แล้วเนี่ยท่านก็แสดงให้เห็นเลยนะว่าตลอดเวลาเนี่ยท่านเป็น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 เราก็สามารถจะเห็นได้ว่าสามารถจะรูยว่าเวลาท่านพูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยท่านหมายความว่าอย่างไงในบันทึกยาภาพของท่านเนี่ยก็มีหลายตอนนี่ที่ท่านขยายความนะว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรคือว่าไม่เข้าไปเป็นอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปและนามไม่เข้าไปเป็นอะไรกับอาการที่เกิดขึ้นกับการและใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปและนามอาการที่เกิดขึ้นกับการและใจก็ได้แก่อะไรบ้างเช่นความปวดนะ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 พระมันก็เลยงงตกลงพระเจ้าเป็นอะไรพระเจ้าไม่เป็นอะไรเลยแล้วอธิพร่องอธิบายขีแย่ความว่ากิเลส ท, ที่ทําให้พระองค์เป็นนั่นเป็นนี้เนี่ยมันไม่มีแล้วนะแต่ถ้าจะเรียกพระองค์ก็เรียกพระองค์ว่าพุท ธ, ธะนะคือพระเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยไม่ได้สำคัญมากหมายพระองค์เป็นอะไรในสายตาของลูกศิษย์ท่านเป็นพระองค์ศาสดาในสายตาชาวพุทธท่านเป็นพระเจ้าในสายตาของญาติ ถ้านา จ, จะเป็น อ, อดีตเจ้าชายสิทธัตถะแต่จริงแล้วพระองค์ไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่ากิเลส ท, ที่ทำให้ยึดมั่นสําคัญหมายเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยไม่มีแล้วก็คือว่าไม่มีพระไม่มีชาตินะเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นเป็นพ่อก็ทุกข์นะเป็นแม่ก็ทุกข์นะเวลาลูกเวลาสอนเวลาแนะนำลูกลูกไม่ฟังนะลูกเถียง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 สำคัญมาบอกว่าเป็นพระอาจารย์นี่ก็ทุกนะมีคนเรียกหลวงพี่เนี่ยโกรธเลยนะทําไมไม่เรียกเราพระอาจารย์ใช่ไหมในความสังคัญมาหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่แม้ถ้าเป็นพระอาจารย์นะเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเป็นพระเนี่ยไม่ยังทุกเลยนะนักปาชญแล้วการเป็นผู้แพ้การเป็นคนไม่ดีสำคัญมาบอกเป็นคนดีนี่ก็ทุกนะเคยมีตอนที่หลวงพ่อชาเนี่ยไป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 นะเพราะว่าเมื่อไอความสคาคัญว่าเป็นเนี่ยนะมันทำด้วยอุปทานและอุปทานเนี่ยมันก็จะเจือด้วยกิเลสนะมีตัวกูกของกูกตลอดเวลานั้นที่หลวงพ่อคำเขียนบอกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยความหมายเนื้อคือว่าคุณไม่ต้องเป็นอะไรเลยนะไม่ต้องเป็นแม้กระทั่งคนดีเพราะเป็นคนดีเนี่ยนะเวลาเจอคนไม่ดีก็คลิปเห็นเป็นคนละพวกนะแล้วคนที่ยึดมาสงบไว้ฉันเป็นคนดีเนี่ยเจอคนไม่ดีนี่คนละพวกเลยนะ แม้แต่คนที่มงมันสำคัญว่าฉันเป็นคนศีลหาเนี่ยือศีลห้าเนี่ยเยจอคนไม่มีศีลนี่รู้สึกเป็นคนรพัวมันเกิดความรู้สึกเป็นลบขึ้นมาทันทีนะอันนี้กิกเลสอย่างที่เกิดจากอุปาทานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอมาก็ก่าบพอสมควรแล้วนะแล้วก็เกิดเวลาที่เขาให้ไว้แล้วนะให้่นาทีนี่ก็45านาทีแล้วก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะฮะก็ขออนุโมทนา